สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากถือบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจน้ครับเมื่อเราคิดถึงชีวิตของพระเยซูที่พระงได้ทรงเสด็จมาในโลกนี้เรารู้ว่าพระองค์นั้นเสด็จมาเพื่อที่จะรับความทุกข์ยากลำบากรับสี่งต่างๆซึ่งเป็นผลพวงแห่งความบากรับแม้กระทั่งความตายซึ่งเป็นค่าจ้างของความบาป แทนเราทั้งหลายนะครับนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจเมื่อเราทั้งหลายได้มีโอกาสพิจารณาชีวิตของเราทั้งหลายเองเปรียบเทียบชีวิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นสาวกของพระเยซูแท้จริงหรือเปล่าเราติดตามพระเยซูอย่างสุดจิตสุดใจเรารักพระเยซูอย่างเต็มที่เต็มหัวใจหมดหัวใจเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเรากําลังถวายตัวให้กับพระองค์แล้วก็มังมอบ ตัวเองให้กับพระเยซูแล้วพี่น้องครับในปีใหมน่นี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งเวลานี้ผมได้มีโอกาสรีทรี ต, รตัวเองแล้วก็นั่งคิดพิจารณาให้ควรถึงชีวิตของตัวเองในการตอบสนองต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่แสนชื่นใจเมื่อเราคิดถึงพระเจ้าทุกอย่างก็จะเป็นการหมดภาระวางภาระลง ไว้อยู่ต่อนพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้ที่ดําเนินตามน้าพระทัยของพระเจ้าจะดําเนินตามใจของมนุษย์ครับหรือใจของแม้แต่ทั้งใจของเราเองแต่เราต้องดําเนินตามพระทัยของพระเจ้าทีนี้นะครับในพระของพระเจ้านั้นเป็นโคมส่งเท้านะครับเป็นแสงสว่างตามทางเดินชีวิตของเรามันคาแห่งชีวิตของเรานั้นหรือมัดนะครับมอรอหันคอควายมัด ปฏิบัตินะครับก็คือวิธีการปฏิบัติของเรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการพระโอษฐ์ของพระเจ้าและเทววิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงนําเราตลอดเวลานะครับในเช้าวันนี้จากการเรียนแบบชีวิตของพระเยซูนั้นทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทานพระสัญญาให้กับชนชาติอิสราเอลให้กับมวลมนุษยชาติในพระธรรมยอห์บทที่สามโคกสิบหกซึ่งทุกๆ ท, ท่านได้เรียนรู้บางคนก็ท่องจําได้ น้องครับเรารู้ครับว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีตรงจะทรงกระทําให้สําเร็จในขัะเดียวกันครับเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อในฮีบรูบทที่สิบข้อยี่สิบสามได้กล่าวเชินนี้นะครับพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบกับอุปสรรคปัญหานะครับความทุกข์ยากลําบากความเจ็บแค้ได้ป่วย ผมได้มีโอกาสที่จะรับรู้รับทราบถึงชีวิตของน้องคนหนึ่งนะครับชื่อน้องเกศน้องเกศนั้นต่อสู้กับโรคร้ายมานานหลายเดือนหลายปีแต่ขอบคุณพระเจ้าครับแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องต่อสู้นะครับแต่เขาก็ยังมีจิตใจที่สู้บางครั้งเขาก็ท้อถอยบางครั้งก็อิดตกบางครั้งก็รู้สึกว่าไปไม่ไหว เขาหนุนใจผมตลอดเวลาครับเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์เป็นไอดอลของผมนะเมื่อเราเป็นไอดอลของใครบางคนผมมีความรู้สึกว่าผมได้รับเขาเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องรับเขาเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอธิษฐานเผื่อกันอย่างสม่งเสมอที่สำคับขณะที่เราทั้งหลายต้องดูแลจิตอินยรน์ของคนอื่นในขณะที่หลายหคนก็เป็นที่เลี้ยง ผมอยูนน่เฉลิมใจผู้รับใช้ผู้อภิบาลพี่เลี้ยงตลอดจนรวมถึงน้องเลี้ยงที่มีคนเลี้ยงดูนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจเป็นอย่างยิ่งที่ในครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าในกิจจักรของพระองค์เรามีพี่เลี้ยงเรามีหลบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงดูแลกันตลอดทําให้ครอบครัวของเร า, านั้นอบอุ่นครับอย่าำใดก็ตามที่ผู้เลี้ยงพอถอยน้องเลี้ยง หลายหคนก็ช่วยกันอบอุ่มช่วยกันอธิษฐานเผื่อยามใดที่น้องเลี้ยงลูกแก่ของเราท้อถอยบรรดาพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงก็อธิษฐานเผื่อและดูแลซึ่งกันและกันพี่น้องครับนี่คือความอบอุ่นในครอบครัวของพระเจ้าทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงเรียกเรานั้นสัตย์ซื่อครับองผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นสัตย์ซื่อเพราะฉะนั้นจงอย่ายไดย้ยอมแพ้ครับจงลงมือทำจงมีความไว้วางใจ จงเปลี่ยนเสียงสรรเสริญและจงเชื่อฟังพระเจ้าที่ส่งสัญญาไว้พระองค์จะทรงทํางานแทนท่านอย่างแน่นอนพี่นะครับประโยคหลังนี้ผมมีความประทับใจมากเพราะว่าหลายหลคนได้เตือนผมบอกว่าเราทํางานแทนพระองค์ซึ่งไม่ถูกต้องครับเราจะต้องปล่อยวางให้พระองค์ทํางานแทนเราพี่นะครับเราจะต้องมอบงานของเราให้กับพระเจ้านะครับ สุภาษิตบทที่สามข้อหกเป็นขั้มผีข้อหนึ่งที่ผมอยากจะฝากใหกับพี่น้องก็คือจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นหลาครั้งทีเดียวเราพยายามที่จะทําตามความสามารถตามสติปัญญาด้วยเรี่ยวด้วยแรงกําลังของเราแต่เราจะต้องยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้ามอบแผนงานของเราให้กับพระเจ้ากับ เพราะว่าพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จน้ครับเราจะต้องยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางนะครับและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีหรือมนะรรคบัญชาของเราลาบลื่นน้องครับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจพระคุณของพระเจ้านั้นพอเพียงเสมอในทุกเหตุการณ์ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปในพระเจ้าของขพระเจ้าชีวิตได้ถูกวางแผนไว้แล้ว และพระคุณของพระองค์พอเพียงเสมอในทุกเหตุการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยพี่น้องครับทุกเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและทุกเหตุการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นหมายความถึงอดีตครับอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทุกเหตุการณ์ในอดีตไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับแต่พระคุณของพระองค์มีพอเพียงเสมอในทุกเหตุการณ์ที่กําลังเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่กํำเนิดเกิดขึ้นในอนาคตนับแต่บัดนี้ ไปเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปในพระเจ้าของข้าพเจ้าชีวิตได้ถูกวางแผนไว้แล้วในพระเจ้าของข้าพเจ้าพระคุณของพระองค์มีเพียงพอเสมอในทุกเหตุการณ์พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่น่าอาัศาจรรย์ครับพระคัมภีร์สุดท้ายที่ผมอยากจะมอบให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือโครโสสีบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดถึงข้อสิบสองความว่าขอให้ท่านมีกําลังมากขึ้นทุกอย่าง โดยฤทธิเดชแห่งพระสิริของพระองค์ให้ขอพระคุณพระบิดาด้วยความยินดีเพียงับคําว่าขอให้ท่านมีกําลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิเดชแห่งพระสิริของพระองค์คำว่าฤทธิเดชแห่งพระสิริเป็นสิ่งที่ผู้รับใช้เป็นสิ่งที่พี่เลี้ยงพวกเราทุกคนซึ่งกําลังจะปรนนธาตัวหรือพวกเราทุกคนที่ถวายตัวเรียบร้อยแล้วนั้นต้องการครับ ฤกษ์เดชแห่งพระสวีของพระองค์ทำให้เรามีกํำลังมากขึ้นพี่น้องครับนี่คือพระคุณของพระเจ้านะครับท่านอาคาทูตเปาโลให้เราขอบพระคุณพระบิดาด้วยความยินดีเพราะอะไรครับเพราะเราทั้งหลายที่เป็นที่เลี้ยงเราทั้งหลายที่เป็นผู้อภิบาลเราทั้งหลายที่เป็นผู้ดูแลจิตวิ ญ, ญญาณของพี่น้องหลายๆคนลูกแกะของพระเจ้านั้นพระเจ้าได้เตรียมฤกษ์เดชแห่งพระสวีของพระองค์ให้กับเราเรียบร้อยแล้ว ฤลธิเตชนี้นะครับทําให้เรามีกําลังมากขึ้นทุกอย่างมีกําลังมากขึ้นทุกอย่างในทุกๆด้านนั่นค่ะโคจนะของพระเจ้าตอนนี้อัศจรรย์มากครับเพราะเหตุที่เราเองนั้นหลายในทั้งทีเดียวเราขาดฤทธิเดชแห่งพระสิริของพระองค์ทำให้เรานั้นอ่อนกําลังแต่อย่าให้เราท้อถอยครับให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจขอบพระคุณของพระเจ้า ขอให้พระคุณของพระเจ้านั้นหลั่งลงมาจากเบื้องบนครับทำให้เรางหลายถูกเจิมถูกเจิมด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีกำลังฝ่าฟันอุปสรรคเพระเาะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับเป็นคาอธิษฐานของข้าพเจ้าที่อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องผมได้พบอยู่ในหนังสือมานานะครับมานาแห่งชีวิต ท่านที่ทานอย่างนี้ครับว่าข้าแต่พระเจ้าหัวใจของข้าพระองค์ร้องทุ่นพระองค์สำหรับปีใหม่นี้โปรดทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากแผนงานที่ข้าพระองค์วางไว้ด้วยข้าพระองค์ปรารถนาความชื่นชมยินดีที่ลึกซึ้งมั่นคงในฤทธเดชันมหาสัจจันทร์ของพระองค์โปรดฟังทั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าหัวใจของข้าพระองค์ร้องทุ่นพระองค์สำหรับปีใหม่นี้